สองสามวันก่อนอมีข่าวนะที่เรียกว่าค่อนข้างจะสะเทือนขวัญนะไม่ได้เกิดที่เมืองไทยนะเกิดที่ประเทศอินเดียในกรุงเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มเอามีดเนี่ยจ้วงแทงผู้หญิงอายุยี่สิก็เรียกว่าแทงแบบไม่ยั้งเลยผู้หญิงก็คงจะขอร้องนะแต่ผู้ชายก็ ไม่สนใจก็แทงแล้วแทงอีกก็เรียกว่าประมาณยี่สิบแผลได้ที่มันน่าสนใจคือว่าคนก็เยอะนะแต่ว่าผู้ชายนี่ก็ไม่สนใจปกติคนเราเวลาทําชั่วนี่ก็มักจะแอบทําไม่อยากจะให้ใครรู้ใครเห็นแต่นี่กรุงเดลีคนก็เยอะนะพวกเราไปเดียวคงจะรู้นะมันไม่มีที่ไหนที่แทบจะว่างผู้คน ชายคนนั้นก็ไม่สนใจก็แทงอีกแทงจนผู้หญิงเสียชีวิตอันนี้มันก็เรียกว่าอุกอาจมากนะที่ว่าฆ่าคนท่ามกลางผู้คนแต่ที่มันน่าสลดใจกว่านั้นคือว่าคนที่อยู่แถวนั้นผ่านไปผ่านมาหรืออาจจะมุงดูด้วยซ้ำไม่มีใครเข้าไปช่วยเลยตามข่าว่ามีคนหนึ่งนะพยายามเข้าไปแต่ว่าก็ถอยออกมาเพราะว่า กรัถูกทำร้ายอันนี้คงเป็นเหตุผลของอผู้คนจำนวนมากนะที่ได้แต่มุงดูแล้วก็ไม่ได้ช่วยผู้หญิงคนนั้นเลยซึ่งที่จริงผู้หญิงคนนั้นคงจะร้องขอความช่วยเหลือนะมันกลงวันแสกๆด้วยก็ทุกคนก็ปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นถูกแทงจนตายแล้วก็คงจะปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยซึ่งกลายเป็นฆาตกรไปแล้วเนี่ยหลบหนีไป เรื่องแบบนี้นี่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะประเภทว่าผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ลบล้วัวเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าก็ปล่อยให้เหตุร้ายนะมันเกิดขึ้นตอนหน้าต่อตาโดยที่ไม่คิดจะทําหรือว่าไม่ลงมือทําอะไรเลยนะเมืองไทยก็เป็นข่าวบ่อยอาจะได้เคยได้ข่าวผู้หญิงถูกผู้ชายลวนลามนในรถโดยสาร คนก็ปล่อยนะก็ยังปล่อยให้ผู้ชายนั้นล่าผู้หญิงนะเข้าไปในภุ่มไม้แล้วก็ทำไม่ดีไม่ร้ายบางทีก็หลังหลังตึกผู้หญิงก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่มีใครนะที่จะคิดจะทำอะไรนะก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าให้ทาที่ว่าคือมุงดูหรือว่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา เป็นอย่างนี้นะอยู่เรียกว่าแทบทุกคนแห่งจนกระทั่งเที่ยวว่ามันกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำถามคือว่าทำไมผู้คนทั้งหลายซึ่งก็คงมีผู้ชายไม่ใช่น้อยนะถึงได้แต่มุงดูนะไม่ได้ช่วยอะไรผู้หญิงเลยนะซึ่งกำลังประสบเคราะห์ใหผลนั้นคือความกลัวกลัวว่าจะโดนลูกหลง แล้วก็แน่นอนนะัคือความรู้สึกที่ว่าไม่ได้ผูกพันอะไรกับเหยื่อหรือผู้ประสบเคราะห์ากว่าคนนั้นเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่นะเป็นคนรักของตัวคงจะไม่อยู่เฉยไอความรู้สึกว่าไม่ผูกพันนะไม่รู้สึกอะไรเลยกับคนที่เป็นเหยื่อก็ทำให้ เ, ยหเฉยเมยยิ่งมีความกลัวนะกลัวจะจะถูกทำร้ายธรรมชาติคนเราเนี่ยเมื่อเจอคนเดือดร้อนนะ มันก็ต้องเกิดความรู้สึกสงสารเห็นใจอยากไปช่วยที่จริงจยาว่าแต่คนเลยนะสัตว์มันก็มีนะสัตว์เวลามันเห็นมันเห็นสัตว์อื่นถูกทำร้ายนี่มันก็พยายามที่จะร้องส่งเสียงขอความช่วยเหลือแต่ทำไมคนเราซึ่งก็มีนะความเมตตากรุณานะถึงปล่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาไดนะ้ความกลัวเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่ง ความเฉยเมยไม่รู้สึกมีส่วนร่วมผูกพันสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นเหยื่อก็เป็นเหตุผลหนึ่งและเหตุผลสําคัญคือว่าการโยนกลองกันไปโยนกลองกันมาคือสมมุติว่าถ้าในเหตุการณ์นั้นมีแค่มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นี้แค่คนเดียวเกิดมีผู้ชายอยู่คนเดียวในเหตุการณ์ก็เชื่อว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็คงจะอยู่เฉยไม่ได้ แต่เป็นเพราะว่ามันมีคนหลายคนทุกคนก็เลยคิดว่ามึงทำเด็ดมึงเด็ดโยนกองก็ไปโยนกองก็มาให้เรียกว่าอาไม่ไม่ไม่อยากจะรับผิดชอบถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยนถ้ากว่าตัวไม่ทําเนี่ยมันจะรู้สึกผิดนะว่าคนเดือดร้อนตอนหน้าเราไม่ทําอะไรเลยนี่มันน่าเกลียดนแต่พอมีหลายคนเนี่ยนะต่างก็โยนให้คนนั้นทําคนนี้ทํา อันนี้พูดนี้ไม่ได้พูดลอยๆเอะก็เคยมีการทดลองมีการทดลองนะว่าให้ผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องอาจจะให้ทำงานอาจจะให้เขียนข้อสอบหรือว่าทำแบบฝึกหัดแบบแบบทดสอบปรากฏว่าห้องข้างๆเนี่ยเคยได้ยินเสียงร้องเสียงร้องคนขอความช่วยเหลืออาจจะเป็นลมบ้าหมูก็ได้ขเขาพบว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ข้างห้องเนี่ยคนที่อยู่ ในห้องที่ติด ก, กับคนที่แก้งเป็นลมบ้าหมูเนี่ยถ้าห้องนั้นเนี่ยมีผู้ชายคนเดียวโอกาสที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะมาช่วยคนที่อยู่ในห้องติด ก, กันที่ส่งเสียงร้องเหมือนกับเป็นลมบ้าหมูเนี่ยโอกาสมาช่วยในแปดสิบเปอร์เซ็เขาทำหลายครั้งส่วนใหญ่ยอยู่เฉยไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดในห้องนั้นเนี่ยมันมีผู้ชายหลายคนไม่ใช่ผู้ชา ย, ยผู้หญิงด้วยก็ได้สี่ห้าคน เปอร์เซนต์ที่คนในห้องนั้นจะมาช่วยคนที่เป็นลมบ้าหมูเนี่ยจะลดเหลือแค่สามสิเปอร์เซนมันลดทั่วเลยนะจากแปสิกว่าเปอร์เซนต์เนี่ยเหลือแค่สามสิเปอร์เซนสมมติว่าห้องอีกห้องนึงเนี่ยนะมันมีควันนะเขาสุมไฟขึ้นมาแล้วคนที่อยู่ห้องข้างเคียงเน้เห็นถ้าคนที่ห้องข้างเคียงเนี่ยมีคนเดียวโอกาสที่เขาจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในตึกเนี่ยว่ามีไฟไหม้เนี่ย จ็ดจุดกับเปอร์เซนต์แต่ถ้าเกิดห้องนั้นเนี่ยมีหลายคนนะมันจะเหลือแค่ 30% สเปเซนตทำไมนะคนที่อยู่ในห้องนี้ก็เป็นคนที่มีการศึกษาอาจจะเป็นคนที่ไฝ่ธรรมไฝ่บุญกุศลได้ซ้าอาจจะเป็นคนชอบทําบุญด้วยไม่ใช่เป็นคนที่ใจไม่ใส่หลักกรรมหรือว่าเป็นพวกเก๊กไม่ไเหล็กเกลเอแต่ทำไมพฤติกรรมจึงเปลี่ยน พฤติกรรมเปลี่ยนเมื่อขึ้นอยู่ว่าอยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนนะถ้าอยู่คนเดียวก็จะอยู่เฉยไม่ได้ต้องออกไปช่วยเพราะถ้าไม่ช่วยเนี่ยมันแสดงว่าเราแย่แล้วมันจะเกิดความรู้สึกผิดนะว่าเราได้ยินเสียงร้องเราไม่ทําอะไรเลยคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าอดทนทนไม่ได้ความรู้สึกผิดเนี่ยมันกระตุ้นให้ต้องขยื้อนขยับทําอะไรสักอย่างแต่ถ้าอยู่กับหลายคนเนี่ยนะแต่ละคนก็จะโอนโยนให้คนนั่นทําให้คนนี้ทํา โยนกันไปโยนกันมาอาจจะโยนในใจนะให้มึงทำเดี๋ยมึงทำเดีอาจจะคิดว่าถึงเราไม่ทำก็มีคนอื่นทำถึงเราไม่ช่วยก็มีคนอื่นช่วยถึงเราไม่บอกก็มีคนอื่นบอกอันนี้คือเหตุผลที่เป็นใช้เป็นข้ออ้างอ้างว่าอ้างเพื่อตัวเอจะได้ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าอยู่คนเดียวมันอ้างแบบนั้นไม่ได้นะมันจะละอายใจถ้าไม่ทำอะไรอันกรณีนียก็ตัวอย่างแบบนี้ก็มาใช้ได้เราทำไมเวลา ผู้คนจำนวนเยอะแยะนะเห็นคนกำลังถูกแกล้งถูกลังแกถูกแทงถูกรุลลามหรือว่าไม่มีใครรุลลามก็ได้แค่เป็นลมนะเป็นลมอยู่ริมถนนก็จะเห็นคนผ่านไปผ่านมาน้อยคนที่จะเข้าไปช่วยเพราะทุกคนคิดเหมือนกันว่าถึงเราไม่ทำคนหนึ่งก็ทำ เมื่อคิดในใจว่าให้มึงทําเดี๋ยวมึงทําดี๋ยวก็เลยปรากฏว่ามีใครทําอะไรเลยแล้วคนที่เป็นเหยื่อก็เลยถูกปล่อยให้ถูกทำร้ายจนตายอันนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่ที่น่าเศร้ามากที่มันเกิดขึ้นที่จริงเนี่ยพอเราได้ฟังข่าวแบบนี้เนี่ยนะหลายคนก็จะนึกตำหนิคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าทําไมไม่ช่วยทําไมใจไม้ใส่ระ ก, กระมแต่ที่จริงเนี่ยนะ จะไปว่าเขาก็ไม่ถูกนะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเราเองอยู่ในเหตุการณ์เราก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันโอกาสที่เราจะทําอย่างคนเหล่านั้นเนี่ยมีสูงมากคนที่อยู่ในเหตุคนที่เวลาฟังข่าวเนี่ยนะมักจะตัดสินว่าไอ้พวกนี้มันไม่มีน้ําใจเป็นคนไม่มีเป็นคนใจไม่ซื่อลำกรนนะแต่ว่าแปเก้เปอร์ถ้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั่นเองด้วยตัวเองก็คงจะทำลืมมีพฤติกรรมไม่ต่างกัน เพราะว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นกับมนุษย์ส่วนใหญ่มันไม่ใช่ว่าคนอินเดียคนที่นิวเดลีมันจิตใจแห้งกระด้างหรือว่าใจร้ายเหมือนกว่าคนที่อื่นนี่นเราจะจะว่าไปจะจะไปฟังข่าวนี้จะจะไปว่าใครก็ไม่ควรนะแต่ควรจะย้อนกลับมามองเราว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรถ้าเราเจอคนที่กำลังถูกทำร้ายนะเจ อ, อผู้ผู้หญิงที่กาลังถูกผู้ชายตบตีหรือว่า เอามีดจ่วงแทงเนี่ยนะลองถามตัวงสวักหน่วเออเราจะทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้หลายคนจะบอกว่าเออมันเป็นกรรมของเขาเดีย๋ยวนี้ก็มีความเชื่อหรือคำพูดแบบนี้นะเวลาเห็นคนทุกข์ยากเดือดร้อนก็บอกว่าเป็นกรรมของเขานะเขาเคยทำกรรมไม่ดีมานะตอนนี้เขาก็กำลังใช้กรรมชาวาพุดธจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะ พูดแบบนี้อ้างแบบนี้เพื่อที่ว่าตัวเองจะได้นิ่งเฉยแต่ที่จริงมันไม่ใช่เป็นคําสอนในพุทธศาสนาเลยนะมันมีสุภาษิตในชาดกนะเรื่องหนึ่งพูดว่าเนี่ยผู้ที่ช่วยเหลือบุคคลที่ควรช่วยเมื่อพู้นั้นลําบากก็จะมีคนช่วยแต่ถ้าผู้ใดไม่ช่วยบุคคลที่ควรช่วยเมื่อพูนั้นอยู่ในความลําบากก็จะไม่มีใครช่วยเหลือเขาเลยนะสุภาษิตนี้เตือนใจว่า แนะนำว่าเนี่ยเมื่อเจอคนเดือดร้อนต้องช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยตัวเองจะรับกรรมในวันหน้านะอย่าไปคิดว่าเออเขากําลังรับกรรมนะเราก็เลยอย่าไปช่วยเขากรรมใครกรรมมันเป็นกรรมของสัตว์อันนี้ไม่วิสัยชาวพุทธนะแต่ชาวพูทธจานวนไม่น้อยเนี่ยก็พูดอย่างนี้แหละอ้างแบบนี้แหละถ้าไม่อ้างเรื่องกรรมก็ไปอ้างเจ้ากรรมในเวรนะว่าอย่างเช่นอาจจะเห็นคนประสบอบัติเหตุนะนอนอยู่บนถนน แทนที่จะหยุดรถไปช่วยเขาก็คิดว่าเอยเขาเขากําลังโดนเจ้ากรรมนายเวรเล่นงานคืนไปช่วยให้เขารอดชีวิตเราอาจจะซวยอาจจะโดนเจ้ากรรมนายเวรของคนนั้นมาเล่นงานคอคิดแบบนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะทําให้พยาบาลหมอหลายคนไม่กล้าช่วยคนป่วยระยะสุดท้ายกลัวว่าเจ้ากรรมนายเวรของคนนั้นจะมาแก้แค้นมาเล่นงานตัวเองแทนอันนี้ไม่ใช่คำสอนในพุทธศาสนานะแต่ว่า อ้างหรือเข้าใจเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยมันดูไม่ยากนะถ้าเกิดว่าผู้เคราะร้ายเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยเราจะอยู่นิ่งเฉยหรือเปล่าเราจะอ้างกดแห่งกรรมหว่าเออเป็นกรรมของเขาเป็นกรรมของสัตว์เราจะไปทำอะไรเขาเลยจะไปช่วยเขาเลยหรือไปอ้างว่าเออมันเป็นเขากำลังเจอเจ้ากรรมในเวไม่ควรช่วย ช่วส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้นะถ้าผู้เคราะหร้ายเนี่ยเป็นคนรู้จักเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนแล้วก็ต้องเข้าไปช่วยอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องกรรมของกรรมของสัตว์หรืออะไรหรอกนะมันแต่เป็นเรื่องว่าเรามีน้ำใจกับคนที่เคราะร้ายแค่ไหนใครที่เป็นเพื่อนของเราพี่น้องของเราอะไรที่เป็นของเราเนี่ยเราจะรู้สึก อูเฉยไม่ได้แต่อะไรที่ไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่สนใจอันนี้มันก็เป็นเรื่องของกิเลส ธ, ธรรมดานะความรู้สึกว่าถ้าอะไรที่ไม่ใช่ของกูกูไม่ยุ่งจะยุ่งเฉพาะอะไรที่เป็นของกูของฉันเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นวิสัยชาวพุทธนะว่าชาวพุทธเรานี่ไม่ว่าใครนีก็ถ้าเป็นเพื่อนมนุษย์หรือเป็นสัตว์นี่ก็ต้องช่วยขนาดในสมัยผู้เจ้าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์นะ สวยพระชาติเป็นลือสีเห็นเข้าไปในป่าเห็นเสือแม่ลูกอ่อนมันกำลังจะกินลูกของตัวท่านก็สงสารไม่อยากให้เสือน้อยนะถูกกินท่านก็พยายามช่วยให้คนไปหาอาหารมาให้แม่แต่ว่าลูกสิษย์กลับมาไม่ทันเสือมันก็ลังขยําลูกอ่อนท่านทำยังไงนะท่านโดดลงไปนะโดดลงไปให้เสือให้แม่เสือกินแทนลูกของมัน อันนี้แล้วว่าเป็นการบรําเพ็ญทานนะถ้าไม่ได้คิดว่าไอ้ลูกเสือตัวนั้นมันกำลังใช้กรรมนะหรือกําลังคิดว่าอ่าเป็นกรรมของสัตว์นะไอ้เสือลูกเสือก็ไม่เป็นอะไรกับท่านนะแต่ว่าด้วยความเมตตาที่ไม่มีประมาณนะท่านก็บําเพ็ญบา ร, รมีเรียกว่าทานบา ร, รมีเลยเป็นปรมาธบา ร, รมีก็คือการสละชีวิตในเด๋อนนี้คนเราชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเวลาจะช่วยใครก็ต้องคิดก่อนว่าช่วยแล้วได้บุญแค่ไหน นะถ้าช่วยสัตว์ได้บุญน้อยเออไปช่วยคนดีกว่าช่วยคนได้บุญน้อยไปช่วยพระดีกว่าอช่วยถวายพระได้บุญน้อยไปถวายพระอาหารหันต์ดีกว่าก็คิดนะเรื่องว่าคํานวณตัวเองจะได้บุญเท่าไหร่นะทําบุญช น, ชนิดไหนจะให้ผลตอบแทนสู ง, สงกว่าเหมือนกับซื้อหุ้นเลยนะหุ้นตัวไหนให้ตอบแทนผลตอบแทนสูงกว่าก็ซื้อหุ้นตัวนั้นคนไทยเดี๋ยวนี้ทําบุญนะ เหมือนกับซื้อหุ้นนะคือบุญตัวไหนให้ผลตอบแทนสูงกว่าก็ทําบุญตรงนั้นแหละอันนั้นไม่ใช่วิสัยชาวพุทธ น, นะอะไรที่เป็นความทุกข์ยากเดือดร้อนต่อนหน้าก็เข้าไปช่วยจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพระเป็นนั้นใครก็ตามก็อยู่ในวิสัยที่ช่วยได้ก็ช่วยนะจะไปอ้างว่ามันเป็นกรรมของสัตว์นะฉันไม่ช่วยนี่อันนั้นไม่ใช่วิสัยชาวพุทธแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็กลับมาดูที่ตัวผู้ชายคนนั้นนะ ตัวผู้ชายที่ค่าผู้หญิงเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าผู้ชายคนนี้เคยเคยชอบเผผู้หญิงนะรู้จักกันมาตั้งนานนะตอนหลังผู้ชายก็แต่งงานแต่งงานเสร็จก็ยังก็ยังไม่เลิกนะยังไปเรียกว่าอะไรไปตามตื้นผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่เอาไม่ชอบนะเพราะว่าผู้ชายก็มีเมียแล้วนะผู้ชายก็ไม่เลิก ตอนไม่รู้อีท่าไหนนะคงจะถูกผู้หญิงปฏิเสธแล้วก็เลยโกรธแค้นเอามีดมาแทงตามข่าวก็ว่าผู้ชายเนี่เคยไปล่วงละเมิดทางเพศกับผู้หญิงที่เป็นน้องสาวมันแล้วเราดูเหตุการณ์แบบนี้ก็ก็คงจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ ใ, ใจร้ายมันเร็วมากนะแต่ก็อย่าประมาทนะเพราะว่าเราท่านท่านเนี่ยก็สามารถจะเป็นอย่างคนคนนั้นได้ คนที่เป็นเราไม่ใช่มีโอกาสที่จะเป็นอย่างคนที่มุงดูให้เขาให้ผู้ชายคนนั้นฆ่าผู้หญิงตอนหน้าต่อตานะแม้กระทั่งคนที่เป็นฆาตกรเนี่ยเราก็อาจจะเป็นอย่างเขาก็ได้นะก็มีข่าวมากมายนะที่ที่เป็นข่าวของคนที่มีฐานะทางสังคมเป็นหมอนะเป็นผู้จัดการนะเป็นอาจารย์หมาหาททไลแต่สุดท้ายกลายเป็นฆาตกรนะฆ่า ฆ่าใครก็ฆ่าเมียฆ่าคนรักคนธรรมดาที่เป็นคนทั่วทั่วไปเนี่ยมีเรียกว่าอาจจะพอมีศีลอยู่บ้างนะไม่ใช่เป็นอันตภายไม่ใช่เป็นผู้ร้ายเนี่ยหากว่าจะต้องฆ่าใครสักคนเนี่ยไอคนที่ถูกฆ่าไม่ใช่ใครที่ไหนนะมักจะเป็นคนใกล้คือคนที่เคยรักหรือหรือเป็นคนรักถ้าเป็นผู้ร้ายเนี่ยเวลาฆ่าใครก็มักจะฆ่าคนที่ไกลตัวนคนที่ไม่รู้จักนะ แต่คนทั่วไปที่เรียกว่าประเภท a อ e r a ร e เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยจะา่าใครสักคนไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครที่ไหนเลยคนรักคนใกล้ทั้งนั้นเลยในคุกบางขวางคุกที่ลงโทษคนประหารชีวิตหรือนักโทษประหารเนี่ยก็มีคนหลายหลายอาชีพหมอก็มีนะเราเคยได้ข่าวมาแล้วอาจารย์หมาเทลัยสถาปนิกเนี่ยพวกนี้ก็เป็นคนที่ไม่ได้ต่างจาก นะพวกเราทั้งหลายในที่นี้คนมีการศึกษาเป็นคนที่ไยดีแต่ทำไมเนี่ยถึงกลายเป็นฆาตกรนะนะก็ต้องพูดว่าเป็นเพราะความโกรธนะส่วนใหญ่เพราะความโกรธความโกรธความแค้นไอนะ้ที่แ้ว ม, มันเป็นเรื่องของราคาที่ทำให้มาผูกพันเจอกันนะแต่ว่าพอชะตาชีวิตพลิกผันก็กลายเป็นความโกรธนะโกรธแค้นก็เลยลงมือฆ่านะ ไอ้ข้าเนี่ยตอนที่ข่านี่ก็อา จ, จะไม่ได้วางแผนอะไรมากนะแต่ว่ามันลืมตัวนะความโกรัเนี่ยมันสามารถทําให้คนเราเนี่ยเปลี่ยนทิยได้นะจากคนธรรมดาธรรมะธรมโมนะกลายเป็นคนกลายเป็นฆาตรกรนะเคยเล่าไปแล้วนะนะคนที่ธรรมะธรรมโมนะแต่ว่าฆ่าลูกของตัวเองลูกผู้หญิงบ้างลูกผู้ชายบ้างมีหลายคนมีหลายกรณี แต่แล้วก็ฆ่าตัวตายคนเหล่านี้ก็เป็นคนเหมือนกับพวกเราเราเนี่ยนะไม่ได้เป็นคนเลวคนร้ายเลยเลยนะแต่ที่ฆ่าเพราะลืมตัวนลืมตัวอะไรทําให้ลืมตัวนะความโกรธนี่เป็นตัวหนึ่งความโกรธนี่เป็นตัวหนึ่งนะนนนงนะทําให้ทําให้ อ, อลืมตัวลืมอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่ากับลืมตัวนะลืม รถ ล, ลืมบ้านลืมโทรศัพท์นะลืมแหวนลืมสร้อยคอลืมพระเครื่องพวกนี้เนี่ยหลายคนกลัวมากเลยแต่ว่ามันไม่น่ากลัวเท่ากับลืมตัวเพราะลืมตัวนี่มันสามารถทําให้คนอย่างเราทุกๆคนเนี่ยกลายเป็นฆาตกรได้แล้วฆ่าใครไม่ใช่ฆ่าคนที่ไกลตัวเลยคนรักทั้งนั้นแหละหรือคนที่เคยรักบางทีก็เป็นสามีบางทีก็เป็นภรรยาด้วยซ้ําเรามาคิดว่าไอ้ลืมตัวนะ มันเกิดจากความเมานะเช่นเมาเหล้าเนี่ยเมาเหล้าก็ลืมตัวนะแต่ว่าถึงแม่ไม่เมาเหล้าเนี่ยไม่ไม่แตะเหล้าเลยเนี่ยนะมันก็เมาได้นะคือเมาอารมณ์เมาความอารมณ์ความโกรธนี่ยมันทําให้เมาได้แล้วนะถามว่าอะไรทไําไมถึงทําไมถึงถึงโกรธนะก็จเป็นเพราะว่าถูกปฏิเสธนะคนเราเนี่ย มันทนถูกปฏิเสธไม่ได้มันรู้สึกว่าถูกเหมือนกับว่าถูกเหยียดยามอัตตามันถูกเหยียดยำ่ำมีหนุ่มสาวคูก่กนึงอายุยี่สิบ ก, กว่าแต่งงานกันเสร็จแล้วก็มีลูกผู้ชายก็ชอบใช้ชอบทะเลาะกับผู้หญิงบางทีก็ใช้กําลังผู้หญิงก็เลยหนีไปทิ้งลูกสามขัวให้ผู้ชาย ผู้ชายก็เลี้ยงลูกอยู่สักพักก็รู้สึกมันลำบากนะก็คิดถึงเมียไปงอนง้อขอให้เมียกลับมาเมียก็ไม่ยอมตอนหลังเมียก็หายไปผู้ชายก็ตามจงกระทั่งพ่อเมียไปทำงานที่ร้านอาหารก็สาบไปขอร้องไปขอร้องให้กลับมานะเมียก็ไม่ยอมกลับนะผู้ชายอ้างลูกเมียก็ไม่สนใจ ผู้ชายโกรธมากนะพอผู้หญิงเดินเข้าห้องน้ำผู้ชายก็ตามไปที่ห้องน้ำแล้วก็เอามีดจ้วงแทงจนตายตายแล้วพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตกใจพยายามฆ่าตัวตายก็แต่ไม่สำเร็จอันนี้ก็เป็นความลืมตัวนะลืมตัวเพราะความโกรธโกรธเพราะอะไรปวดเพราะผู้ชายปฏิเสธนะผู้ชายปฏิผู้หญิงปฏิเสธนะตัวเองพยายามขอร้อง ผู้หญิงก็ไม่สนใจปฏิเสธคําขอร้องแล้วก็ปฏิเสธนะตัวตนของตนด้วยไอ้ความโกรธเดียวมันไม่ทําให้คนเนี่ยลืมตัวจนทั้งการเป็นขาตกกร น, นะมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือความอยากจะเอาชนะผู้ชายเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองพ่ายแพ้นะถูกผู้หญิงเหยียบย่าการปฏิเสธการถูกปฏิเสธคือความพ่ายแพ้ผู้หญิงอาจจะพูดจารุนแรงผู้ชายรู้สึกว่าตัวเองถูก เหียดยามพอเราพอมันสู ว, ว่าเป็นฝ่นายถูกกระทำก็อยากจะกระทาบ้างอยากจะเป็นผู้ชนะนะเป็นผู้แพ้มาเยอะแล้วนะกูจะเอาชนะมึงบ้างอันนี้วิสัยผู้ชายเนี่ยเอาชนะอะไรเอาชนะด้วยเหตุด้วยผลก็ทำไม่เป็นมันก็มีเลยอย่างเดียวคือเอาชนะด้วยกาลังนะวิสัยผู้ชายจำนวนมากเป็นแบบนั้นนะนะเวลาเจอผู้หญิงเนี่ยสู้ด้วยเหตุผลไม่ได้ก็ต้องสู้ด้วยกาลัง อยากเอาชนะวิธีที่เาาชนะคือฆ่าเลยเอามีจ่วงแทงให้ความอยากชนะนี่คือเรียกมานาเนาะมานาเนี่ยมันเป็นกิเลสในใจที่ไม่ยอมที่จะถูกกระทำไม่ยอมที่จะที่จะเป็นฝ่ายแพ้จะเรียกว่าเป็นปมเด่นของมนุษย์ทุกคนก็ได้มนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีปมเด่นนะไม่ใช่ปมด้อยนะปมเด่นก็คือว่ามันอยากจะเด่น อยากจะเป็นซัมบอดี้นี้ก็เป็นปมเด่นนะอยากจะให้คนชมนี่ก็เป็นมารนะนะอยากจะโวดว่ากูเก่งนี่ก็มารนะแล้วก็อยากจะเอาชนะเลยเพราะคนที่ถูกก็ทําให้เป็นฝ่า ย, พายแพ้แพ้เนละยเพราะกับผู้โดยเพราะด้วยฝีมือผู้หญิงเนี่ยมันยิ่งไม่ยอมเย่างไอตัวมารน้านี่มันน่า ก, กลัวมากมันทําให้ลืมตัวนะมันไม่ใช่ตัวโกรธย่างเดียๆนะโกรธนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พออยากจะเอาชนะแล้วมันก็เลยต้องใช้กําลังนฆะ่าผู้หญิงตาย ไอ้ผู้ชายที่ไปจ่วงทางผู้หญิงนะการกูเด ล, ลิซคองจอะเกิดจากมานะด้วยนะมันไม่ใช่แค่ความโกรธธรรมดามันอยากจะเอาชนะนะถูกผู้หญิงปฏิเสธนะก็รู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีก็จะต้องเอาชนะให้ได้ตอนนั้นมันลืมตัวมากเลยไอ้ความลืมตัวจึงน่ากลัวมากนะน่ากลัวมากเพราะมันสามารถจะทำให้เราทำในสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยนะกลายเป็น อ่าไอ้ต้องติดคุกติดตารางหรือว่ากลายเป็นนักโทษประหารเลย ก, ก็ได้ฉะนั้นก็ให้เราตะหนักด้วยความลืมตัวเนี่ยมันน่ากลัวนะเพราะลืมตัวแล้วสามารถจะทําอะไรก็ได้ลืมของเราก็ได้แต่หามันไม่ได้หาไม่เจอก็เสียใจนะแต่เสียใจมากๆก็ลืมตัวได้นะอาจจะถึงกับฆ่าตัวตายนะแต่ว่าถ้าโกรธเนี่ยนะมันไม่ค่อยอยากจะฆ่าตัวตายเท่าไหร่มันอยากจะเอาชนะอยากจะทํำลาย ให้เราตระหนักนะว่าความลืมตัวนี่มันสิ่งที่จะต้องระมัดระวังมากและการพยายามทำแล้วก็ตามเพื่อทำให้ความลืมตัวมันไม่มีโอกาสไม่มีช่องที่จะเข้าหมักข้างาใจหรือเกิดกับเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะให้การเจริญสตินะอย่างที่เราทำเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยดูจะแสนจะธรรมดาธรรมดานะแต่ว่ามันเป็นการเติมนะเติมวัคซีนเข้าไปในจิตใจของเรา ที่จะทำให้มีภูมิต้านทานนะความลืมตัวความหลงนะความหลงเนี่ยมันพร้อมจะเข้ามาจู่โจมจิตใจแล้วก็บ่งการชีวิตเราเนี่ยหรือว่าฉุดชีวิตเราให้ตกต่ําย่แย่ไปได้ในหลายรูปแบบหลือเกินทั้งเศร้าโศกทั้งเสียใจทั้งอาฆาตพยาบาทนะสามารถจะกลายเป็นฆาตากรหรือว่าฆ่าตัวตายก็ได้เพราะความลืมตัวเนี่ย มันประมาทไม่ได้นะนั่เราต้องพยายามหาหาพยายามหาช่องทางเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ให้ความลืมตัวมันเกิดขึ้นกับเราที่เมื่อกี้เราก็สวด น, นะอุทิศทํากรวนน้ำตอนค่ําเนี่ยโอกาสจะพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายเป็นช่องประตูสลาย ท, ทำลายล้างความเพียรจมนะหรือว่าขอหมู่มารอย่าได้ช่องนะ ด้วยเดย็ดบนทั้งสิบป้องนะอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินไอ้มารตัวที่สําคัญเนี่ยคือความหลงนะไอ้ความลืมตัวเนี่ยเราต้องรักษาใจของเรานะีอย่าไปเปิดช่องให้ความหลงความลืมตัวมันเข้ามาเพราะถ้ามันเข้ามาแล้วเนี่ยนะทําให้เราเนี่ยนะไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยก็ได้ถ้ามันมากพอแล้คนส่วนให ญ, ญ่ประมาทนะนนก็คิดว่าเอ้ยฉันนี่ ไม่เป็นอย่างพวกนั้นหรอกไอ้พวกนั้นมันเลวนะมันฆาตกรนะหรือว่าฉันไม่เป็นอย่างคนอื่นหรอกนะไอ้คนที่คนที่ฆ่าตัวตายนี่มันไม่ใช่ผู้ชายเนะนี่ยมีนะเคยมีนายทหารคนหนึ่งเนี่ยเคยอายุสี่สิบกว่าเป็นนายทหารดังมากนะคนทางทางต่างจังหวัดเนี่ยเรียกว่าเป็นวีรบุรุษนะเพราะกล้าหารชาญชัยมากเป็นคนที่ไม่กลัวใครแกเคย พูดว่าเนี่ยคงได้ขา่าวมีทหารหรือมีใครคนฆ่าตัวตายก็เลยพูดออกพูดขึ้นมาว่าเนี่ยไอ้คนฆ่าตัวตายมันไม่ใช่ผู้ชายหรอกแล้วผ่านไปยี่สิปีนะพอแกเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่รักษาเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ก็ไม่หายนะสุดท้ายแกก็ใช้ปืนยิงตัวตายไอ้ทุกขเวทนาเนี่ยมันก็ทําให้หลงได้เหมือนกันนะทำให้ลืมตัวนะคนเราลืมตัวได้หลายสาเหตุนะ ลืมตัวไม่ไใช่พราะเล่าลืมตัวเพ่อเมาอารมณ์ก็ได้อารมณ์ก็มหีหลายอย่างทั้งกลัวทั้งโกรธทั้งราคะนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็คือไอ้ตัวความเจ็บความปวดเนี่ยพอเจ็บปวดมากๆมาลืมตัวนะไอ้คนที่ปวดคนที่เมื่อยมันก็ลืมตัวน้อยหน่อยนะแต่ถ้าป่วยหนักๆนี่ลืมตัวมากแล้วยิ่งลืมตัวก็ยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นนะแล้วพอทนไม่ไหวมันก็ ก็ใช่ใช้ปืนปิดชีวิตตัวเองก็เป็นความความลืมตัวอีกแบบห น, นึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยการที่พยายามรักษาใจให้มีความรู้สึกตัวเอาไว้ให้มองว่าไอ้ความหลงความลืมตัวนี่มันเป็นศัตรูที่น่ากลัวมากมเวลาบอกว่าขอหมูม่มานอย่าได้ช่องเนี่ยก็ขอให้รวมไปถึงไอ้ตัวความลืมตัวความหลงด้วยแล้วมันก็เกิดขึ้นกับเราอยู่แบบเรื่อยๆนะ แม้แต่แม้แต่เวลาปฏิบัติธรรมก็ยังมาเล่นงานแเวลาเราทําอย่างอื่นนี่มันลืมตัวไม่เป็นไรนะแต่เวลาเรามาปฏิบัติธรรมเร า, าปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะได้รู้สึกตัวแต่มันก็ยังหาทางเข้ามาเล่นงานเราตอนที่เรามาปฏิบัติธรรมกาลังเจริญเดินจงกรมสร้างจังหวะเดีย๋ยวว่าแต่เลยเลยขนาดสวดมนต์ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านะ มันก็ยังเผลอลืมตัวได้นะสวดไปใจก็ลอยหรือแม้แต่ฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมนะแทนที่จะฟังด้วยใจที่เปิดสว่างนะเป็นโอกาสที่เราจะเติมความรู้สึกตัวลงไปไอ้ความหลงก็ทําเข้ามาเล่นงานนะทําให้เราหลับมั่งง่วงมั่งนั่งฟังธรรมแล้วก็หลับไปนะเออถ้าหากว่าไปไปหลงเอาตอนทําอย่างอื่นนี่ก็มันก็ไม่เป็นไรนะแต่ขนาดมาบนสาลาอยู่ตอนหน้าพระพุทธลูก สวดมนต์ฟังธรรมก็ยังหลับไปได้ก็ปล่อยใจเปิดใจให้มันให้ความหลงเข้ามาครอมงำก็นั่งฟังธรรมแล้วก็สับประงกไปนะปล่อยให้ความหลงเข้ามานั้นต้องถือว่าอย่างน้อยเนี่ยในช่วงเวลาที่เราปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาที่เราเข้าใกล้พระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าพระองค์สวดมนต์ฟังธรรมเนี่ยะเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์นะที่จะไม่ไม่ยอมให้ความหลงเข้ามา มันจะง่วงแค่ไหนก็ไม่เปิดช่องให้มันเข้ามาเล่นงานเพราะถ้ ง, ง่วงแล้วเนี่ยมันไม่ต้องพูดเรื่องความรู้ตัวแล้วมันก็หลับเนะี่ยพอหลับนี่มันก็หลงเต็มที่ขนาดตื่นยังหลงเลยตรงหลงนี่คือใจลอยฉะนั้นให้เรานะพยายามนะให้ถือว่าไอ้ความความหลงเนี่ยมันเป็นเป็นศัตรูตัวร้ายนะที่เราจะต้องพยายามที่จะไม่ให้มันเข้ามาอครองงาจิตใจอย่าให้มันอมีฐานที่มั่นในใจเรา พยายามที่จะเปิดความสว่างความสึกตัวให้มันให้ความหลงมันค่อยๆหายไปเรื่อยๆไม่ใช่มาปฏิบัตินะก็ยังหลงนะมาฟังธรรมก็ยังหลับนะอันนี้ก็ก็ถ้าไพา่ไพ่แ พ, พ้มันอย่างนี้แล้วเนี่ยพอเจออะไรมันกระทบแรงๆเกิดความกลัวเกิดความกลัวนั้นเลยเกิดราคะขึ้นมานี่โอ้ความสึกตัวที่มีนี้เอาไม่อยู่นะมันก็จะสามารถทําให้เราทําในสิ่งที่เลวร้วายได้อย่าประมาทมันเด็ดขาดนะเพราะว่า คนที่ประมาทนี่ก็ก็มักจะเสียท่ามันอย่างหมอพิสุทธิ์เนี่ยนะเราคงทราบนียว่าก็เข า, าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเตอนที่เขากใกล้จะออกจากคุกเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิตยาสารวันเนี่ยว่าเขาเสียดายนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมัวแต่ไป สนใจกับเรื่องงานเรื่องการในหัวมีแต่เรื่องงานวิชาการงานสอนไม่ค่อยได้สนใจเรื่องปฏิบัติธรรมนะก็ไม่มีเวลาให้กับการเจริญสติถึงตอนนี้รู้แล้วว่าไอ้สิ่งเหล่านี้สาคัญกับวิชาความรู้ก็บอกว่าถ้าเขากับสามารถจะย้อนกลับไปเป็นหนุ่มได้ก็จะให้เวลาการปฏิบัติธรรมมากขึ้นไม่ใช่มาถึงถึงเวลาแก่แล้วเนี่ยไม่ใช่มาปฏิบัติธรร ม, มตอนแก่ อย่างดีนะที่แกมีกสั์มีโอกาสแก่นะเพราะว่าถ้าพูดถึงโทษจริงๆนี่ก็ป่านนี้ก็ก็เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ว่าด้ยวยการให้อภัยโทษไปเรื่อยๆนะก็ทําให้มีโอกาสที่จะแก่ก็ทําให้ใจตันหนักโอ้ที่ผ่านมาเราเราประมาทไปอันะนี้ก็เป็นบทเรียนนะที่พวกเราก็ได้ได้ตันหนักเอาไวนะ้แล้วก็จะได้เห็นว่าการเจริสติการทำความรู้สึกตัวนี่เป็นเรื่องสําคัญ เอาคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับค่ะ